ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหลงสวยสวยห่างพุทธตอนที่สองโดยสมณะราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2มิถุนายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านเราฟังได้นาบัตรนี้ค่ะ ขณะเพลิดเพลิเพนเที่ยวชมอยู่นั้นพนางเข ม, มาเห็นภิกษุรูปหนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ทรงดำริในใจว่าภิกษุรูปนี้อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มรูปงามแต่กลับโกนศรีรษะคองสังขตินั่งอยู่ที่โคนไม้ละความยินดีที่เกิดจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วเจริญฌานอยู่เจริญฌานก็คือทำความสงบระงับนะอยู่ มาปฏิบัติในป่าเช่นนี้ช่างเหมือนกับคนอยู่ในความมืดนี่กำลังคิดอะไรละ่ะกำลังคิดในทางลบแล้วนะคือเห็นโอ้โหเห็นพระภิกษุโกนหัวแล้วก็ถือศีลปฏิบัติทำอยู่นะมีมีอาการสงบระ ง, งับนะอยู่ในฌานอยู่นะคิดเลยบอกโอ้โหเนี่ยทำตัวแบบนี้เหมือนกับคนตกอยู่ในความมืดเพราะธรรมดาแล้วคขาลื้ัด ควรบริโภคกามอย่างมีความสุขเสียก่อนพอแก่แล้วจึงค่อยปฏิบัติธรรมให้เจริญงอกงามในภายหลังนี่นเราได้เห็นแล้วนะเนี่ยเอย่างที่เล็กี่บอกแต่ละวันแต่ละวันคุณอย่านึกว่าเราจะคิดอะไรดีได้ไง่ายๆนะคนเราเนี่ยคุณอย่านึกคิดเรื่องกุศลเนี่ยคุณอย่านึกว่าคิดง่ายใครไม่ฝึกใครไม่ปฏิบัติคิดให้ดีคิดให้ดีคิดให้ ด, ค ด, หดีคุณไม่ย้ำคุณไม่เตือนคุณไม่คอย คอยดูแลรักษาจิตของคุณมันไม่คิดดีหรอกจิตคนเราปกติลงต่าปกติคิดอกุศลคิดไม่ดีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจตรงนี้ให้ให้ได้ตอนนี้พระนางเขามากาลังทันทีขนาดคุณคิดดูนะอารมณ์ดีนะตอนนี้นะโอ้โหไปชมสวนโอ้โหเห็นอะไรสวยๆงามๆเป็นที่พออกพอใจพอมาเห็นภิกษุ ป, ปฏิบัติดีอยู่อย่างเนี้ยแทนที่จะคิดดีคุณคิดดู กลับคิดไม่ดีสินะอีกนะเพราะอะไรเพราะมันหลงอยู่ในความสวยงามหลงอยู่ในสายลาคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะคิดดีพอมาเห็นผู้ปฏิบัติดีก็เลยคิดว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยปฏิบัติไม่ถูกละอย่างแยี้ยเหมือนกับคนตกอยู่ในความมืดนะหนุ่มๆเนี่ยเขาควรที่จะ <c oughs> <c oughs> นะโอ้ยอะไรอ่ะมีชีวิตหาความสุขซะก่อนสิแก่แล้วกองเขาวัด พูงนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพนังเขมมาก็น่ะคิดอย่างนั้นแหละคิดแล้วก็เสด็จไปชมพระคันทักกุดีอันเป็นที่ประทับของพระาศาสดาด้วยคาดว่าคงจะว่างเปล่าไม่มีผู้ใดยอยู่ในช่วงนั้นเพราะว่า เ, เป็นช่วงเวลาที่พระไปบินทบาทแล้วนะก็คิดว่าเนี่ย พิกสูก็เห็นพิกสูไปบิณทบาทกันแล้วเนี่ยผู้เจ้าท่านก็ต้องไปบินทบาทเหมือนกันมันก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยกุฏ์อะกุฏเนี่ยหรือกุฏีเนี่ยที่ผู้เจ้าภาคอยู่เนี่ยว่างเนี่ยแล้วก็กะ ว, ว่าจะไปเยี่ยมชมกุฏ์หน่อยทีแต่กลับปรากฏว่าได้พบเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสําราญอยู่พระศาสดาทรงเห็นพระนางเขามาเทวีสเสด็จมาน ะ, ะผู้เจ้าก็เห็นแล้วสิกรณ์นี้ อ่าเห็นเมื่อ้าวสิเห็นแล้วจะหนีได้ไงอะคราวนี้ใช่ไหมล่ะไม่เห็นก็ไปอีกอย่างใช่ไหมถ้าผู้เจ้าไม่เห็นก็เหมือนเราเงี้ยเกิดบังเอิญไปจะเอ๋ใครแล้วเออมันหลบไม่ทันแล้วตอนนี้หลบไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นหลบไม่ทันก็ต้องเป็นไงอก็ต้องเข้าไปเฝ้าอะสิเพราะฉะนั้นพระนางเขมมาก็เลยต้องเข้าเฝ้านะพอไปเข้าเฝ้าเนี่ยพระผู้เจ้าทรงเนรมิตหญิงงามดังเทพอักษร นะัทธบายงานพัดอยู่ผู้เจ้าเนรมิตแล้วนะฝ่ายพระนางเห็นเช่นนั้นแล้วก็บังเกิดความคิดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงองค์อาจกว่าใครทั้งปวงไม่ได้มีความเศร้าหมองใดๆเลยก็แล้วยังมีสาวงามผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำรูปสวยงดงามดูแล้วเป็นที่น่ายินดีพอใจนักยิ่งมองยิ่งชม ยิ่งไม่เบื่อตาโอหญิงสาวนางนี้ช่างรูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นใครงามเช่นนี้มาก่อนเลยพระเจ้าท่านจับจับอะไรได้ท่านจับประเด็น <c oughs> ท่านจับประเด็นได้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยอัออตมาว่าแผนเนี่ยเป็นแผนของพระเจ้าพิพิสารใช่ไหมพระพเจ้าพิพิสารเนี่ยวางแผนอยู่แล้วใช่ไหมว่าให้พระนางเนี่ยมาเที่ยวอุทยานให้ได้ อาตมาว่าก็คงต้องนัดแน่ผู้เสเจ้าไว้แล้วนะว่าให้รออยู่นะเออใช่ไหมแน่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็พูดง่ายว่าผู้เจ้าทาั้งการูแหละมันพอพนางเขมามาปั๊บก็เอาเลยทันทีเลยพอพนางเขมาเห็นแล้วก็โอ้โหยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเท่าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะเนี่ยโอ้หญิงสาวนางนี้ ช่างรูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นใครงามเช่นนี้มาก่อนเลยแต่ขนาดนั้นเองสาวงามนั้นพรันมีสภาพเปลี่ยนไปกลายเป็นหญิงชลาผิวพันเหี่ยวย่นทั้งตัวผมก็งอกฟันก็หักน้ำลายไหล ย, ยืดดวงตาฝ้าฟางหูตึงนมหย่อนยานหลังงอกายสูบผอมตัวสั่น ง, งันงก แม้มีไม้เท้าก็พยุงไม่ไหวล้มลงกองอยู่ที่พื้นดินแล้วหอบหายใจทีป้นหนึ่งจะขาดใจตายน่าปรากฏว่าขณะที่กําลังเห็นเห็นสาวงามที่อย่างกับนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยเห็นอยู่ดีๆเนี่ยกําลังโอ้โหชื่นชมกําลังยินดีกําลังพอใจเลยกํากลังรู้สึกโอ้โหเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่เบื่อเลยเห็นเท่าไหร่ก็ ก็มีแต่ความชอบใจพอใจกำลังกาลังมีความสุขในการได้เห็นสิ่งสวยสิ่งงามปรากฏว่าอ้าวอยู่ดีๆก็ผู้หญิงคนนี้ก็กลายไปเป็นค่อยๆแก่เลยนะหนังเหี่ยวฟันหักหลังโกงอะไรต่างๆนานาเป็นอสุภะขึ้นมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นการเนรมิตของพระ พ, พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เจตนานั่นเองเจตนาที่จะเหมือนกับ กับลิมิตที่ให้พนางเข้มมาเนี่ยได้ปงอสุภะพูดง่ายนะจากหญิงสาวสวยก็กลายเป็นโอ้โหกลายเป็นหน่าเกลียดขึ้นมาเอาละสีคราวนี้คิดดูนะักคนที่ติดสวยติดงามเนี่ยเห็นอะไรก็ชอบเห็นที่มันสะอาดสะอ้านนะเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ่อต้องน่ารักนะเสร็จแล้วพอไปเจออยู่ดี โอ้โหไปเจอแบบสลัมไปเจอแบบโอ้โหสกรปรกลกเละเสร็จแล้วไงคนที่ติดสวยงามเนี่ยแล้วไปเจออย่างนี้เข้าในฉับพันเนี่ยสภาวะจิตเนี่ยมันปรับไม่ทันเลยก็โอ้โหก็น่าตกใจอสินะเพราะฉะนั้นอาการนี้มันเหมือนกับช็อกนะนะเพราะพนางเข ม, มาก็โอ้โหกําลังแหมประทับใจอยู่ดีดเอาทาไมกลายเป็นพลิกกลับอย่างนี้ ความสังเวชใจที่ไม่เคยปรากฏแก่พนางเลยนั้นบัดนี้บังเกิดขึ้นแล้วทำให้พนางขนลุกชูชันเห็นในโทษของรูปกายที่พวกคนผานหลงยินดีกันอยู่พูดง่ายว่าโอ้โหก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรขนลุกเนี่ยมันมันขยงเหรอแหมใช่เลยเขาเรียกขยงเนี่ยคือคือคือแหมกำลัง ว่าหวามหัวใจอยู่ดีดีโอโหกลายไปเป็นเหมือนกับเราไปเห็นอะไรนะศพไปเห็นคนตายไปเห็นอะไรที่มันออืทําใจแทบไม่ไม่ไหวเลยเงี้ยมันพลิกตรงข้างข้ามอย่างอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอออืรู้สึกขนลุกสู้ไปหมดเลยสู้นี่ซอโซ่นะอปรากฏว่าแบบออืมันหักมุมอะ่ะ เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบว่าสภาวะจิตเนี่ย ม, มันทันทีเลยคือคนเรานี่นะที่ติดสวยติดงามหรือติดอร่อยติดอะไรก็แล้วแต่จิตเนี่ยมันจะคิดอยู่มุมนั้นมุมเดียวคือมันจะผลักอีกมุมหนึ่งเนี่ยทิ้งเอาไว้คือจะไม่ยอมให้เข้าเข้ามาในโสตสัมผัสในความคิดเลยเพรา ะ, ะนั้นพออยู่ดีดีเนี่ยไอ้มุมตรงข้ามเนี่ยมันแวบเข้ามาเลยนี่นะโอ้โห อ, อาตมาถึงบอกว่ามัน มันทันทีเลยนะแล้วไม่ไม่เคยนึกว่าจะมาคิดแบบนี้หรือว่าจะมาเห็นแบบนี้แต่มันเลี่ยงไม่พ้นละหนีไม่พ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็วแล้วก็โอ้โหก็ปุงแล้วก็คิดแล้วก็เห็นถึงความอะไรร่างกายคนเรามันจะสกะปรกมันจะน่ารังเกียจขนาดนี้เฉลยรับรับขึ้นมาทันทีเลยมันพอรับขึ้นมานี่นก็โอ้โหเกิดสภาวะ หวาดเสียวหรือว่าเห็นเห็นมุมที่ตัวเองเนี่ยปกป้องพยายามจะไม่รับรู้พยายามที่จะไม่เห็นเนี่ยมาตลอดแต่คราวนี้ต้องมารู้ต้องมาเห็นและเห็นด้วยตาตัวเองด้วยคิดก็คิดด้วยสมองตัวเองด้วยปกป้องมากเลยนะขนาดไม่ยอมเข้าเฝ้าพู้เจ้าเจ้าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากได้ฟังไม่อยากได้ฟังธรรมะที่จะมาพูดถึงอสุภะอะไรต่าง นาสิ่งที่จะเป็นปฏิกูลสิ่งที่น่ารังเกียจต่างๆมันปกป้องทุกอย่างเลยเหไหมมันคนเนี่ยยิ่งปกป้องมากเท่าไหร่ยิ่งมีสภาวะกดดันเนี่ยคือความกลัวอยู่ในจิตทุกคนวันพอมันเลี่ยงไม่พ้นมันต้องไปเจอสภาวะนั้นเนี่ยทันทีเลยนะมันจะแรงเพราะนั้นกระรากฏว่าพนางเขามรี่เลยโอ้โหตึกไม่ถึงเลยว่าอะไรคนเรามันจะน่ารังเกียจโอ้โหถ้าแก่แล้วเนี่ย ฟันจะหักตาจะฟางหนังจะเหี่ยวย่นผมจะงอกอะไรขนาดนี้เฉลือกนะก็เห็นโทษภัยเห็นเห็นสังขารที่มันสุดโสมขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งจิตนี่แบบว่าไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกแต่ตอนนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงขึ้นมามันพอยอมรับความเป็นจริงขึ้นมาอย่างนี้ก็โอ้โหทันทีเลยพระศ า, าสดาทรงทราบวารจิตของพระนางแล้ว จึงได้ตรัส ด, ด้วยพระกรุณาว่าดูก่อนพนางเขมาเชิญดูร่างกายอันกรสับกระสายไม่สะอาดโสโรครกมีของเหลวไหลเข้าและออกนะมีของเหลวไหลเข้าและถ่ายออกนะที่บรรดาคนพานยินดีนักจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวโดยอาศัยอสุภารมณ์เถิด ผู้เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าอารมณ์จิตตอนนี้ของพนางเขมาเนี่ยคือกำลังกาลังเห็นอสุภนะแล้วเพราะนั้นกำลังกำลังจับอารมณ์ที่เป็นมุมเป็นมุมอสุภะเนี่ยได้แล้วเพาปกติเนี่ยจะผลักมุมอสุภะทิ้งหมดจะไม่ไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกแต่ตอนนี้กำลังสัมผัสได้ได้ถึงผู้เจ้าก็รู้ว่าละจิตนี้เพราะท่านก็สอนเลยคราวนี้รา บอกว่าอ้าวทาจิตให้ดีนะทําจิตให้นิ่งนะทำจิตให้สงบนะแล้วพิจารณาอารมณ์อสุภาเนี่ยอสุภารม์เนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์ที่เราจับได้ถึงสภาวะถึงความไม่สวยไม่งามเนี่ยได้ซึ่งปกติคนเราเนี่ยคิดอะไรก็อยากจะคิดสวยๆ ง, งามไปคิดถึงของไม่สวยไม่งามของทุกข์ของน่ารังเกยียจของอะไรไม่ไม่ไม่อยากไปคิดหรอกคือคนเราเนี่ยคิดแต่สิ่งที่จะชอบ นะสิ่งที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแต่ไอสิ่งที่จะอกหักอกพังสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจใครอยากจะไปคิดอ่ ะ, อะมันทุกข์อ่ะเพราะนั้นไม่อยากจะคิดหรอกอันนี้เป็นเป็นธรรมดาของคนเราเพราะบางคนเนี่ยมีทุกข์มีทุกข์กกอยู่ก็ยังยังพยายามจะไม่คิดเลยพยายามจะคิดให้มันให้มันเป็นสุขแต่ไอ้ น, นอาทุกข์มันมาถามหาแล้วมันเลี่ยงไม่พ้นแล้วมันก็เลยจำนนท้องคิด ใช่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากคิดถ้าโดยสภาวะปกติยิ่งระดับพนางเขมาโอ้โหสุขสาลาญสบายมีทรัพย์สมบัติมหาศาลอะไรทุกอย่างจะไปคิดอะไรให้มันกุ้มอะ่ะคิดที่มันสบายใจไม่ดีกว่าเหรอเพราะฉะนั้นหน้าขาวเนี่ยผู้เจ้าเลยบอกว่าอ่าทำจิตให้สงบนะแล้วพิจารณาถึงสิ่งที่คราวเนี่ยเราจะผิดหวังบ้างสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องอ ไม่เป็นไปดั่งใจบ้างอสิ่งที่เราจะต้องเจอในมุมกลับที่โดยปกติแล้วเราไม่อยากจะคิดถึงวันนี้สิ่งเหล่านี้คืออสุภารมณ์นั่งนั้นคืออารมณ์ที่เป็นสิ่งที่เราจะไม่ถูกใจหรือไม่ชอบใจห ร, หรือหรือน่ารังเกียจอย่างเช่นบางทีเนี่ยนึกถึงอาหารการกินแล้วก็นึกถึงอะไรอร่อยอร่อยที่เราอยากจะกินอ่าแต่คราวนี้ไม่ใช่ละถ้าจะเป็น สุภารมณ์ขึ้นมาก็จับอารมณ์ให้ได้พิจารณาให้ออกซิว่าเอออาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลก็ได้นะเป็นของที่กินไปแล้วก็โอ้โหก็ลงไปจนะกระเพาะเคี้ยวแล้วก็อะไรปนกันปนกันรวมกันนะใครยังไม่เคยพิจารณาก็ลองเคี้ยวๆล่อคายมาดูนะพิจารณาดูซะบ้างว่าโอ้โหดูซิเนี่ย เคี้ยวแล้วคายออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของปลอมเลยปกติเราก็เห็นไอตอนจะตักใช่ไหมตอนก่อนตักแหโอ้หูน่ากินน่ากินเชงนั้นเลยหน้า น, นี้มันหน้าอะไรอ่ะหน้าทุเรียนห <laughs> น้าทุเรียนนะนะโอ้โหแหมสวยสวยเคี้ยวเควเคียวแล้ลองขายไปดู <laughs> มันน่ากินขนาดไหนเนี่ยทุเรียนจริงๆมันก็ยังเป็นทุเรียนอยู่ถูกไหมออ รสชาติก็ยังเหมือนเดิมถูกป่ะเพียงแต่มันมันต่างไปแค่รูปทรงเท่านั้นเองนะเพราะคุณเอาเข้าไปเคี้ยวคุณยังไม่ไปทําลายอะไรมันเลยนะเพียงแค่เอาแล้วไม่ต้องเอาเข้าวเคี้ยวก็จะเดี๋ยวจะหนักข้อเกินไปเอาแค่ทุเรียนมาเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็มาขยําขยําอะ่ะขยําภายนอกนี่นะขยําขยําให้ลูกชมมันเปลี่ยนไปนะดูแล้วเละๆดูและอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่นี้ก็ไม่อยากกินแล้กกินไม่ลงแล้วทั้งทั้งที่จริง ก็หมอนทองอ่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยก็ลูกเดียวกันน่ะคุณเอาลูกเดียวกันเลยก็ได้นะเอาเอามาจากปลูเดียวกันเลยพลูหนึ่งเนี่ยเออสวยๆไปอีกปรูหนึ่งก็เอาขยำแลให้มันเละนั่นแหละแล้วลองดูสิว่าเอ๊ะจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเนื้อหาสาระเหมือนทุกอย่างแต่มันต่างกันตรงแค่รูปฉาบภายนอกเท่านั้นเองที่ว่าอีกปลูหนึ่งนี่มันเออยังไม่ต้องไปทําให้มันเละ แง่ก็ดูสวยน่ากินอยากจะกินเห็นแล้วอยากจะกินแต่พออีกภูนึง ค, คุณขยำเรียบร้อยแล้วเออไม่เอาะใครอยากได้เอาบริจาคเลยใครอยากจะกินเอาไปกินเลยคือคุณไม่นึกอยากจะกินเลยเนี่ยถ้าเราจับอย่างนี้ได้เราถึงจะรู้จักอสุภะลมว่าเออพิจารณาวันพวกเราเนี่ยบางคนฝึกต้องฝึกฝึกเนี่ยแล้วลองดูไอ้ที่เราบอกว่า เออเราติดนักติดหนาคุณลองเอามาผสมผสมเอามาปนปนเปรเปรเอามาเปลี่ยมรูปโฉมโนมพันธุซะบ้างนะจากสาวงามอย่างก็นางฟ้าให้มาเป็นหนังเหี่ยวบ้างนั้นะแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเอออย่างเงี้ยแล้วก็ลองกินดูสิกินโดยที่มันมันโดนแปรสภาพมาบ้างนะแล้วก็กินดูแล้วทำใจที่ทาใจให้มันมันมันเป็นปกติเป็นธรรมดาก็จริงๆมันก็เหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะ จริงๆมันเหมือนกันอยู่แล้วถูกเขา่ากสากฮะอ่อกินก็เหมือนกันอยู่แล้วก็ลูกเดียวกันเน่ยเอาพลูเดียวกันเลยก็ได้เอามันไม่ได้ต่างกันเลยนะแต่มันต่างกันตรงอุปทานที่เรามีใช่ไหมอุปทานมันทําให้แตกต่างเพราะฉะนั้นเอกพูหนึ่งโอ้โหอยากจะกินมากเลยเอกพลูเดียวกันเนี่ยเอกเขาจะเรียกอะไรก้อนหนึ่งเหรอเขาเรียกอะไรเม็ดหนึ่ง เม็ดนึงเนี่ยนะโอ้โหเม็ดนี้อืออยากจะกินแต่ไอเม็ดก็ติดกันเนี่ยนะอีกเม็ดนึงเราขอย้ำาโอ้โหเม็ดนี้ไม่อยากจะกินเพราะเราจะเห็นอุปทานของจิตที่มันแตกต่างกันเปฏิบัติธรรมนีต่ต้องจับอารมณ์ให้ได้ถ้าปฏิบัติธรรมคุณจับอารมณ์ไม่เป็นคุณพิจารณาไม่เป็นเมื่อพิจารณาไม่เป็นเนี่ยคุณก็โดยเจติตนิสยัยเราก็จะชอบแต่ที่เราจะชอบแล้วนะที่อยากจะกิน เพราะไอ้ที่เราไม่ชอบเราไม่อยากจะ ก, กินเราก็จะไม่กินอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันจะแก้จะหลีดหรือว่าแก้นิสยัยแก้อุปทานที่เรามีอยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นคนที่จะพ้นกิเลสมาได้ต้องแก้หรือเราใช้คําว่าล้างอุปทานให้ได้เพราะนั้นคนที่ล้างอุปทานได้เนี่ยถึงจะปฏิบัติมรรคผลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าใครเนี่ยไม่รู้จักจับอารมณ์ไม่รู้จักพิจารณาแล้วมันแก้จิตไม่ออก เมื่อแก้จิตไม่ออกก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นได้ยังเก่งก็ไปกดข่มนะพยายามฝืนมาย า, บ, าบังคับไม่อร่อยก็กินไม่อร่อยก็กินคือบังคับแบบชนิดที่ว่าฝืนใจโดยที่จับอารมณ์ไม่เป็นจับอารมณ์จิตไม่เป็นแล้วก็ปรับอารมณ์คือจับได้แล้วก็เดี๋ยวก็มาปรับอารมณ์ล้างอุปทานทิ้งพอพอเราจับได้เราปรับอุปทานได้ คราวนี้ก็จะกินได้เป็นปกติเป็นธรรมดาแต่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกทําไม่ได้หรอกเนี่ยแค่แค่แค่ฟังเนี่ยคุณอาจจะรู้คุณอาจจะเข้าใจแต่พอคุณไปเจอจริงๆคุณทําไม่ได้ถ้าไม่ฝึกแล้วมันไม่มีสภาวะจิตมันทําไม่ได้มันต้องต้องฝึกจริงๆแล้วพอเราไปเจอผัสสะนั้นแล้วเออมันก็ปรับจิตปรับใจแล้วก็ทําได้จริงๆเพราะนั้นบางคนเนี่ยถึงกินอาหารไม่ไม่ยุ่งยากไม่ลําบาก กินไอ้นนท์กินไอ้นี่กินอะไรก็เอพอกินได้จริงนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยก็ยังมีกิเลสอยู่แต่เขากินง่ายเป็นคนที่กินง่ายคือน้องไขเนี่ยยิ่งกินยากมากเท่าไหร่อุปท า, านยิ่งเยอะอุปท า, านที่ไปยึดเอาไวอ้อ่ะยึดในสิ่งที่เราชอบอย่างนี้เราชอบอย่างง้นเราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่กินอันนี้ชอบอันนี้ชอบกินกินเยอะๆเนี่ยมันจะมีอุปท า, านอยู่แต่อย่างนี้ มันจะแก้ไม่ตกแก้ไม่หายสักทีเนี่ยจนกว่าจะเข้าใจการปฏิบัติธรรมแล้วคนนั้นถึงจะเออค่อยๆลดจากอุปทานที่ชอบก็ก็กินให้น้อยลงหรือว่าอย่างที่บอกแปลรูปร่างหน้าตามันจะบ้างนะให้มันหมดสวยหมดงามลงบ้างแล้วก็หัดกินแล้วก็วางใจอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นถึงจะจะเข้าใจเรื่องของอสุภารลมนะพระพุทธเจ้าถึงบอกจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียว โดยอาศัยอสุภารมนะเพราะามันจะเป็นตัวถ่วงจิตเราเรามีแต่มุมบวกเราไม่มีมุมลบนะมุมบวกนี่หมายถึงว่ามีแต่สุภะแต่เราไม่มีอสุภะที่เป็นมุมลบเนี่ยเข้ามาถ่วงดุลมันแล้วจิตมันไม่เป็นกลางจิตมันก็เอียงตรงไปข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเองนะมันจะไม่ได้สมาธิเพราะสมาธินี่มันต้องสมดุล มันต้องเป็นกลางได้มันถึงจะนิ่งได้ถึงจะสงบได้นะอันนี้พุทธเจ้าท่านก็สอนอีกว่าจงมีกายขตาสตินะบอกบอกให้มีรู้จกักทาสมาธิโดยอาศัยอสุภารลมแล้วก็บอกให้มีกายขตาสติกายคตาสติหมายถึงว่ามีสตใิในทางที่จะพิจารณาหรือในทางที่จะรู้กายเราเนี่ย นะว่าเป็นยังไงตอนนี้เออมันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินจะกินหรือจะไปไหนมาไหนคิดยังไงทำอะไรยังไงให้มีให้มีสติรู้ตัวนะถ้าใครใครจำสูตรกายคตาสติได้เนี่ยเนี่ยก็จะรู้ตัวไปเรื่อยๆนะจะกินจะนั่งจะยืนจะเดินอะไรรู้ตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะไปเ อ, อ่ออะไรอะ่ะว่า ร่างกายอย่างนี้อ่าอย่างนี้สะอาดอย่างนี้สะกะปรกอ่าอย่างนี้คนเป็นอย่างนี้ซากศพเนี่ยก็พิจารณาไล่ไปเรื่อยตั้งแต่อะไรนะผมจนไปถึงเล็บเท้าพิจารณาไล่ลงไปเนี่ยก็คือสติในการที่จะรู้กายทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยพิจารณาไปจนกระทั่งอ่าพิจารณาไปหมดละตัวตนร่างกายนี้นสะอาดหรือสะกะปรกยังไงเสร็จแล้วก็ พิจารณาไปจนเริ่มมีฌานขึ้นมาเนี่ยมีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่มีวิตกมีวิจารณ์อะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นปิติเป็นสุขเป็นเอกะคาตาหรือเป็นอุเบขาขึ้นมานั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติคือมีสติที่จะพิจารณากายเราจนกระทั่งเราก็ประพฤติได้ปฏิบัติได้จนกิเลส ข, ของเราเนี่ยลดลงลดลงลดล ง, ลดลงหรือ วางใจเป็นอุเบกขาได้ในที่สุดเสร็จแล้วผู้เจ้าทาั้งกรต่ายอีกว่ารูปกายหญิงนี้เป็นฉันใดรูปกายของเธอก็เป็นฉันนั้นรูปกายของเธอเป็นฉันใดรูปกายของหญิงนี้ก็เป็นฉันนั้นนางกำลังบอกมาเนี่ยที่พระนางเขมาเห็นผู้หญิงคนนี้ยังไงเนี่ยพระนางเขมาก็จะเป็นเหมือนกันทุกอย่างกับผู้หญิงคนนี้ไม่แตกต่างกันเลย จงคลายความพอใจในกายนี้ทั้งภายในและภายนอกเสียเถิดจงอบรมอมิตรอนิมิตตะวิโมกอนิมิตตะวิโมกอนิมิตก็คือคื อ, คอไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีนิมิตนั่นเองอนิมิตะนะส่วนวิโมกก็คือความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นอะนิมิตตะวิโมกเนี่ยหมายถึงว่าพระเจ้า ท, ท่านให้ พิจารณาเราจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่พิจารณาเอารูปร่างร่างกายเนี้ยพิจารณาจนกระทั่งเห็นความเป็นอนิจจังเห็นถึงความไม่ไม่เที่ยงของมันว่าเออเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกหน้อยก็แก่หรือผิวพรรณสวยเอา้าก็เกิดต ก, กะหรือว่าเจ็บป่วยก็ผิวพรรณก็เสียไปได้อะไรเงี้ยคือพิจารณาแล้วเห็นถึงความไม่เที่ยง ของอารมณ์ของ จ, จิตใจของสังขารร่างกายนะอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจชัดเจนจนกระทั้งจิตเนี่ยมันวางได้ก็เรียกว่าอนิมิตะบิโมกนะจงละมานานุใสเสียแล้วเธอจะเป็นผู้สงบได้มานานุสัยก็คือมานะบวกกับอนุสัยก็เรียกว่ามานานุใส เพราะฉะนั้นจงละมานานุสัยก็หมายถึงว่าละอะไรมานะออละความยึดถือความถือตัวความถือตนความถือดีความปวดดีอะไรต่างๆที่ที่เรายึดเอาไว้แล้วมันทำให้เราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกคิดอะไรไม่ได้เนี่ยคนเราที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมันเอาแต่ยึดว่าฉันชอบอย่างเนี้ยฉันชอบเงี้ยเขาจะทาอย่างเงี้ยใครจะทำไม มีอะไรหรือเปล่านะก็จะอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็มาฟังเทพฟังธรรม้วโอ้ว่าดีดีดีแต่ทั้นก็จะทำอย่างเงี้ยใครจะทำไมมีอะไรหรือเปล่าก็อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยแล้วในที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงราะยึดอยู่อย่างนี้แหละนะก็มีอนุสัยมีอาสวะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องละความยึดอันนี้ด้วยถ้าไม่ละความยึดอันนี้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย เพาะคนเราเนี่ยจะได้สิ่งใหม่มาเนี่ยนะถ้าของเก่าเนี่ยมันเต็มกโกดังหมดแล้วโกดังใจเราเนี่ยโอ้โ ห, โหใจเราเนี่ยนะโกดังนี้เต็มหมดแล้วทุกทุกห้องหัวใจเลยจะเอาอะไรใส่เข้าไปได้จะเอาของใหม่ที่ไหนใส่ไปได้ว่าใส่ไม่เข้าว่ามันต้องเอาของเก่าไอ้ที่โรคเลอะเสียหายไม่ดีนะทําให้เป็นทุกข์ทำให้เดือดอร้อนใจนะหรือว่าทําให้เป็นกิเลส ทำให้เป็นลักโลภโกรธหลงเอา้าเอาออกซะบ้างที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ยเอาของเก่าพวกนี้ออกแล้วก็เอาของใหม่ที่ดีๆเนี่ยใส่เข้าไปมันถึงจะมีที่ที่ให้ใส่เข้าไปได้ถ้าของเก่าเต็มปรีไม่เอาออกไม่มีทางใส่ของใหม่เข้าไปได้มันจะต้องละเนี่ยมานานุใส่ให้ได้เพราะคนใดถูกความกําหนัดด้วยราคะเกาะติดอยู่ย่อมเป็นเสมือน แมงมุมเกาะติดใยที่ทําไว้เองแต่ถ้าคนใดตัดราคะให้ขาดเสียไม่มีความอะไรละกามาศุขไปย่อมหลุดพ้นได้อ่าอันนี้เปรียบเหมือนกับแมงมุมมันชักใยนะมันก็ต้องอยู่กับใยมันนั่นแหละเพราะใยมันเป็นเครื่องหากินของมันวาะในที่สุดมันก็มันก็ติดแมลงอื่นก็มาติดใยของมันแล้วตัวมันเองก็ติดใยของมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็เป็นคนทําใยเองด้วย พรนะพุทธเจ้างกับเปรียบก็เหมือนกับคนที่เนี่ยยินดีพอใจนะมีกามมีราคะมีความยินดีพอใจเป็นกิเลสอยู่ก็นั่นแหละก็ทำให้ ก, ก็ก็ติดอยู่กับอารมณ์กามอารมณ์ความยินดีความพอใจในราคาที่ตัวเองมีอยู่ก็ติดอยู่อย่างนั้นดิ้นมาไม่หลุดเพราะเพราะฉะนั้นต้องต้องใจแข็งแขต้องตัดใจซะบ้างหรือตัดตัดสายใยเนี่ย แมงมุมเขาเรียกแมงมุมหรือมาแรงมุมแมงมุมใช่ไหมไม่ใช่มาแรงเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นแล้วนอย่าเป็นเหมือนกับแมงมุมที่มันชักใยแล้วมันก็ต้องติดอยู่กับใยของมันเพราะเราเองเนี่ยเราอย่าไปมีแต่อารมณ์กามอารมณ์ราคะอารมณ์ความกำหนัดยินดีพอใจจนกระทั่งในที่สุดเราก็ติดอยู่กับอารมณ์นั้นดิ้นไม่ออกดิ้นไม่หลุดเพราะฉะนั้นอยากจะดิ้นมาให้หลุด ก็ต้องลดละอารมณ์พวกนั้นลงถึงจะดิ้นหลุดออกมาได้